คอยรู้ทันนะใจมันไหลไปไหลามาใจมไม่มีสมาธิอย่าไปบังคับใจนะกลัวมันไหลไปไหลามาลบังคับเอาไว้มันก็เป็นมิจฉาสมาธิไม่ดีหึด อ, อัดภาวนาก็รู้สึกตัวสบายๆรู้สึกไป ร่างกายห้ใจออกร่างกายห้ใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกให้รู้สึกบ่อยๆพวกเราอยู่ๆู่ดูจิตมันดูไม่ไหวใจเราฟุ้งซ่านเยอะก็ดูไม่ออกจิตมันว่องไวมันหนีไปเที่ยวตลอดเวลา ถ้าดูจิตไม่ออกก็ดูกายไปก่อนดูกายแล้ววันหนึ่งก็เห็นจิตเวลาเรารู้ร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้ด้วยใจปกติไม่ใช่รู้ด้วยใจที่เครียดเครียดใจที่บังคับตัวเองกด ขี่จิตใจตัวเองให้นิ่งรู้ด้วยใจที่ปกติใจที่ธรรมดาเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เพ่งที่ลมหายใจถ้าเราไปเพ่งที่ลมหายใจไม่ใช่นิ่งๆไปอึดอัดบางทีอึดอัดนะเพ่งแรงก็อืดอัดแค่รู้สึกว่าร่างกายหายใจอยู่ เมื่อวานก็มีคนหนึ่งมาเล่ารนะรู้การหายใจเสร็จแล้วจิตมันค่อยสงบเข้ามามันทิ้งลมหายใจลมหายใจตื้นมาอยู่ที่ปลายจมูกเนะี่ยก็กลายเป็นแสงสว่างมีปิติมีความสุขเกิดขึ้นอันนั้น ได้สมาธิได้ความสงบเป็นสมะถะกรรมฐานสมาธิสำคัญที่พวกเราต้องฝึกสมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัวที่จิตใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นเราเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดู เห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งใจเป็นคนดูเรารู้ไปเรื่อยนะแล้วใจมันจะหนีใจมันจะไปทํางานอย่างเรารู้ร่างกายให้ยจออกห้ยชจเข้าอยู่สักแป๊บหนึ่งหนีไปคิดเรื่องอื่นล้วรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งนะแป๊บเดียวจิตก็หนีไปคิดเรื่องอื่นแล้ ลืมร่างกายให้เรารู้บ่อยๆจิตนีไปแล้วรู้จิตนีไปแล้วรู้นะในสุดจิตผู้รู้ของเรามันจะเด่นดวงขึ้นมาเรได้สมาธิชั้นเลิศน่ะสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดู อย่าพวกเราสังเกตสิตอนนี้ร่างกายเรานั่งอยู่รู้สึกไหมว่าร่างกายนั่งยากไหมที่จะรู้ว่ากําลังนั่งอยู่ไม่เห็นจะยากเลยลองขยับเนี้รู้เรารู้ว่าร่างกายขยับเนี้ยมันยากไหมมันไม่ได้มีอะไรยากเลยกรรมฐานเป็นเรื่องธรรมดาๆอย่างนี้เองร่างกายขยับเนี้ยรู้สึกรู้สึกไปด้วยใจปกติไม่ใช่ใจเครียด ซึมซึมซื่อบื้อนรู้สึกบ่อยๆพ อ, อ, อใจมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมาเป็นคนดูมันจะเห็นนะร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งใจเป็นคนดูพอเราได้ใจที่เป็นคนดูแล้วเนี้ยเราจะเดินปัญญาได้เราจะเริ่มแยกธาตุแยกขันได้ การภาวนาถ้าจะเจริญปัญญาเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำนะคือได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเสร็จแล้วก็ใช้สมาธิตัวนี้มาทำงานเอาไปดูลงที่กายก็จะเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูกไม่ใช่จิตจิตเป็นคนรู้คนดู ด, ดูลงไปที่ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะ ก็จะเห็นว่าความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเนี่ยเป็นคนรู้คนดูเนี่ยมันเริ่มแยกกันแยกกายกับจิตออกจากการแยกเวทนากับจิตใจออกจากกาันในี่บางทีก็แยกเวทนาออกจากร่างกายก็จะเห็นว่าอย่างเรานั่งอยู่แล้วมันปวดมันเมื่ อ, อยองนีน้เรามีจิตเป็นคนดูเราก็เห็นทีแรกเห็นร่างกายมันนั่งอยู่ นั่งไปนานๆล้วก็เห็นความปวดความเมื่อยมันแทรกเข้ามาในร่างกายความปวดความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่จิตมันเป็นอีกขันหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคําว่าขันภาษาบาลีเราอย่าไปกลัวมันนะภาษาไทยคือคําว่าส่วนนั่นเองแยกส่วนส่วนของร่างกายส่วนของความรู้สึกสุขทุกข์ ส่วนของความจำส่วนของความปรุงดีปรุงชั่วโรโกรดหลงอะไรนะี่เป็นอีกส่วนหนึ่งจิตก็เป็นอีกส่วนหนึ่งรวมแล้วมีห้าส่วนที่เรียกว่าขันห้าได้ยินชื่อขันห้าเราฟังน่ากลัวจริงก็คือแยกตัวเราเนี้ยสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี้ยแยกออกเป็นส่วนๆพระพุทธเจ้าแยกไว้ห้าส่วน เราก็แยกตามท่านท่านแยกเอาไว้ดีแล้วเราไม่ต้องไปแยกเยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นเวียนหัวเนี่ยพอใจเราตั้งมั่นเป็นคนดูนะร่างกายจิตใจไม่จะแยกออกเป็นส่วนส่วนร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเป็นของถูกรู้ถูกดู ความปวดความเมื่อยนะที่เกิดขึ้นในร่างกายหรือความสุขความสบายที่เกิดในร่างกายก็ไม่ใช่ร่างกายอย่างร่างกายเรานั่งอยู่ทีแรกไม่ปวดไม่เมื่อย น, นั่งไปนะั่งไปเนียความปวดความเมื่อยมันก็แทรกเข้ามาเราก็จะเห็นใจเป็นคนดูอยู่ไม่จะเห็นนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยเป็นอีกส่วนหนึ่งโคนละอันกันอย่างนี้ยเรียกว่าเราแยกขันได้ แยกกายกับเวทนาที่แรกเราแยกกายกับจิตร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งอะไรนะี่ถูกรู้ถูกดูนี่กายกับจิตกวแยกออกจากกันเรานั่งไปนานๆหรือเดินไปนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาเราก็เห็นร่างกายเมื่อกี้ไม่ปวดไม่เมื่อยตอนนี้ปวดเมื่อยขึ้นมา ให้ความปวดเมื่อยเป็นสิ่งที่มาทีหลังแปรปลอมเข้ามามันไม่ใช่ร่างกายเป็นสิ่งที่แปรปลอมเข้ามาเนี่ยเราก็จะแยกได้อีกขันอีกส่วนหนึ่งที่ส่วนของเวทนาเวทนาไม่ใช่ร่างกายแล้วเวทนาเองความสุขทุกข์เองก็เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูเพราะฉะนั้นเวทนาเขาไม่ใช่กายแล้วก็เวทนาเขาไม่ใช่จิตเนี่ยขันมันจะเริ่มแตกตัวออก ที่สิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยมันเริ่มกระจายตัวออกพระพรุทธเจ้าสอนให้เราเจริญปัญญานะวิธีเจริญปัญญาของพระพุทธเจ้าคือแยกแยกสิ่งที่เราคิดว่ามีอยู่จริงๆออกเป็นส่วนๆแล้วเราจะพบว่ามันไม่มีหรอกทุกอย่างแยกไปถึงที่สุดก็ว่างเปล่าวิธีเรียนรู้ความจริงด้วยการแยกส่วนเนะ สับาลรดเรีว่าวิพัฒชวิถีวิพัฒชะวแหวนสลพีพอสัาเภาแม่นาอากาศช่อช้างวิพัฒชวิถีเหมือนอย่างเราเห็นว่ารถยนต์มีอยู่จริงๆเราแยกส่วนรถยนต์ถอดลูกล้อออกมาลูกล้อเป็นรถยนต์ไหมลูกล้อไม่เป็นรถยนต์เราถอด หลอดไฟออกมาจากรถยนต์ถอดสายไฟออกมาถอดเครื่องยนต์ออกมาถอดพวงมาลัยออกมาถอดกันชนออกมาถอดบาะที่นั่งออกมาแต่และชิ้นแต่และชิ้นไม่ใช่รถยนต์แต่พอมันมารวมกันนะเราก็สำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นรถยนต์ตัวเราจริงๆไม่มีเพราะว่าเจ้าเลยสอนให้แยกสิ่งที่เรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยออกเป็นส่วนส่วน เหมือนจับรถยนต์มาแยกชิ้นแยกชิ้นส่วนของรถยนต์แล้วคำว่ารถยนต์มนจะหายไปมันจะเหลือแต่ตัวถังฮนะวงมาลัยยางอะไรงเี้ยแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่เรียกว่ารถยนต์อีกต่อไปละสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเรานี้ก็เหมือนกันนะพอเราแยกส่วนได้แล้วตัวเรามันจะหายไปเหมือนรถยนต์หายไปพระพุทธเจ้าสอนให้เราแยกส่วนไว้ห้าส่วนส่วนของรูป คือส่วนของร่างกายส่วนของเวทนาคือความสุขทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าทางใจเนี่ยเวทนาทางใจมีไม่สุขไม่ทุกข์ด้วยนะแล้วก็ส่วนของความจำได้ความหมายรู้จำได้เช่นจำว่าคนนี้ชื่อนี้คนนี้ชื่อนี้คนนี้เป็นพ่อเราคนนี้เป็นแม่เรานะคนนี้เป็นศัตรูเรานะจำได้หมายรู้เนี่ยเป็นการเทียบเคียง สิ่งที่เราเจอครั้งใหม่แต่เราไม่รู้จักมันดีถ้าเทียบเคียงกับของเกา่าเปรียบเทียบไปอย่างเรารู้จักแมวเยี้เราเคยเห็นแมวจับหนูเราไปเจอเสือเนี่ยเสือมันใหญ่กว่าแมวแหน้าตามันเหมือนกันท่าทางมันก็เหมือนกันนั้นมันคงไม่จับแค่หนูหรอกมันคงจับเรากินได้ออย่างเนี้ยเราหมายรู้ลงไปว่าเออเนี่ยตัวเนี้ยน่าจะอันตรายได้ หมายรู้ละเอียดลึกซึ้งลงไปอีกชั้นหนึ่งนะหมายรู้ลึกซึ้งลงไปอีกก็คือหมายรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำมิปัสสนานะั่นคือหมายรู้ที่ถูกต้องคือหมายรู้สิ่งซึ่งไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงหมายรู้สิ่งซึ่งเป็นทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์หมายรู้สิ่งที่เป็นอนัตตานะไม่ใช่ตัวตนกนะ็รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนนะนี่พวกเราเนี่มันหมายรู้ผิดตลอด ร่างกายจิตใจนี่ไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็หมายรู้ว่าเป็นตัวเราของเราพอเราเราก็รักเราก็ห่วงแหนมันมันเป็นอะไรขึ้นมาเราก็ทุกทุรนทุราย่กุ้มใจแก่แล้วก็กลุ้มเจ็บแล้วก็กลุ้มจะตายแล้วก็กลุ้มเนี่ยมันมันทุกข์ขึ้นมาเพราะมันเริ่มจากการหมายรู้ผิดผิดพหมายรู้ผิดก็คิดผิดผิดแล้วคิดผิดผิดแล้วมันก็เชื่อผิดผิดเชื่อว่าเรามีจริงๆ ง, งั้นที่ท่านสอนมาแยกขันแยกขันนะ ให้จะได้หมายรู้ถูกหมายรู้ลงไปว่าเออไอสิ่งที่เรียกว่าตัวเราจริงๆมันก็แค่ขันห้าขันห้าแต่ละตัวมันก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์หมายถึงมันถูกบีบคันให้แตกสลายตลอดเวลาแล้วมันก็บังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตามเราสั่งไม่ได้ตามใจชอบเนี่ยท่านสอนให้เรามาเรียนรู้ความจริงอย่างนี้นี่ก่อนที่จะเห็นใส่ล้างได้ก็ต้องแยกขันให้ได้ก่อน เราจะแยกขันได้เราก็ต้องมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูสก่อนจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยเกิดจากการมีสติรู้ทันจิตที่หลงไปไหลไปที่เราอยู่กับร่างกายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนอะไรย่างเงี้ยแป๊บเดียวหนีไปที่อื่นแล้ะลืมตัวเองแล้ะนี่เรามีสติรู้ทันแลเนี่ยเมื่อกี้รู้ร่างกายหายใจรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะแป๊บเดียวหนีไปที่อื่นแล้ะรู้ทันว่าจิตมันหนีไป รู้บ่อยๆต่อไปพอจิตหนีปุ๊บรู้ปั๊บหนีปุ๊บรู้ปั๊บเลยนะจิตผู้รู้มจะเกิดขึ้นเองทันทีที่รู้ว่าจิตหลงไปนะจิตหลงจะดับจิตรู้จะเกิดเกิดเองโดยอัตโนมัติเลยงั้นสีหลวงพ่อสอนว่าให้มีจิตผู้รู้ไม่ใช่ทําจิตผู้รู้ขึ้นมานะแต่ให้มีสติรู้ทันจิตผู้หลงจิตหลงไปคิดก็รู้จิตมันหลงไปดูก็รู้จิตมันหลงไปฟังก็รู้พอรู้ปุ๊บเนี่ย ความหลงมันจะดับจิตรูม้มจะเกิดฝึกบ่อยๆในที่สุดจิตรูม้มจะแข็งแรงน้มนเกิดบ่อยเข้มแข็งขึ้นเราก็เริ่มมาแยกขันเดินปัญญาดว้วยแยกขันร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมันก็แยกได้กายกับจิตโค่นละกัน ต่อมาก็แยกรละเอียดขึ้นไปสุขทุกข์ในกายสุขทุกข์เฉยๆในใจไม่ใช่ร่างกายสุขทุกข์ไม่ใช่ร่างกายมันสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายมันไม่ใช่จิตใจมันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตใจจิตใจเป็นคนรู้เนี่ยมันก็เริ่มแยกกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาคือสุขทุกข์ก็ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ก็ส่วนหนึ่งนี่แยกได้สามส่วนละ สัญญาตัวนี้ดูยากเอาไว้ก่อนเมื่อกี้หลวงพ่อพูดให้ฟังไปนิดหนึ่งแล้วตอนที่ทำวิปัสสนาเนี่ยจะต้องใช้สัญญานะไม่ใช่บางคนพูดง่ายๆนะสัญญากับปัญญานี่ตรงข้ามกันนะเพราะมันมีคำว่ายาเหมือนกันนะไม่เป็นศัตรูกันสมมติกับวิมุตตก็ตรงข้ามกันนี่มั่วทั้งหมดเลยนะสมมติไม่ได้คู่กับวิมุตนตะ ส, สมมติ ตรงข้ามกันเนี่ยคือปรมาจิตไม่ใช่วิมุตต์นะคนละเรื่องไหยเนี่ยบางีเราโมวสัญญาเป็นศัตรูของปัญญาไม่ใช่ถ้าไม่มีสัญญาที่ถูกต้องจะไม่มีปัญญาสัญญาที่ถูกต้องคือการหมายรู้ร่างกายหมายรู้เวทนาหมายรู้ สัญญาเองหมายรู้สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วหมายรู้จิตใจที่เกิดดับอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหมายรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาถ้าไม่มีการหมายรู้อย่างนี้วิปัสสนาจะไม่เกิดนะสัญญาจำเป็นนะแต่ว่าเราต้องเรียนพวกเราสัญญาวิปลาสทั้งสิ้นเลยปุถนะุชนเนี่ยสัญญาวิปลาสนะ อย่างร่างกายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเรารู้สึกเที่ยงเนี่ยเราอยู่มาตั้งหลายปีแล้วก็ยังอยู่ได้ร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเราเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขว้างนะนี่หมายรู้ผิดนะที่จริงมันทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์บ้างกับสุขบ้างร่างกายเนี่ยเป็นของบังคับไม่ได้จริงสั่งไม่ให้แก่ก็ไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้สั่งไม่ให้ตายก็ไม่ได้เรากับรู้สึกว่าเราสั่งได้ ในหลวงพ่อเคยภาวนานะแล้วนอนลงไปเนี่ยพอจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วมันสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้อะเงั้นเราเห็นเลยร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นของที่ควบคุมบังคับไม่ได้เนี่ยมีสัญญาเข้าไปหมายรู้นะพอสัญญาถูกความคิดของเราก็ถูกต้องความเชื่อคือความเห็นทิฏฐิก็จะถูกต้องเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมางั้นไม่ใช่ สัญญาเป็นศัตรูของปัญญาสัญญาวิปลาสสัญญาเพี้ยนเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าสุขเห็นของไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราสัญญาตัวนี้ตั้งหากหละที่ขัดแย้งกับวิปัสสนานะเป็นตัวขวางปัญญาเพราะมันโง่ไปตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนี่เราอาศัยฟังธรรมนะได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้านะเราก็เริ่มหัดหมายรู้แยกขันต์ลไปแล้วแต่ละขัน์เนี่ย เราก็ดูให้มันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงะร่างกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงความสุขทุกข์นี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงความดีความชั่วทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงจิตนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงแล้วค่อยๆดูความจริงไปอย่างจิตเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปดูรูปเป็นผู้ไปฟังเสียงเป็นผู้ไปดมกลิ่นเป็นผู้ไปลิ้มรส เป็นผู้รู้สัมผัสทางร่างกายเป็นผู้คิดนึกปรุงแต่งทางใจใจิตไม่คงที่เลยเปลี่ยนแปลงตลอดเดี๋ยวเกิดที่ตาเดี๋ยวเกิดที่หูที่จมูกที่เล่นที่กายที่ใจงั้นจิตเองก็ไม่เที่ยงเนี่ยการที่เราแยกขันได้นะก็เพื่อเราจะได้เห็นว่าขันแต่ละขันเนี่ยมันไม่เที่ยงมันถูกบีบคั้นมันบังคับไม่ได้คาว่าไม่เที่ยงหมายถึงของซึ่งเคยมีแล้วมันไม่มี ของที่เคยมีแล้วมันไม่มีคําว่าทุกขังเป็นทุก์เนี่ยหมายถึงของที่กําลังมีเนี่ยกําลังถูกบีบคั้นให้แตกสลายไปอย่างเวลาเรามีความสุขขึ้นมาสังเกตไม้มถ้าเรามีสติรู้นะความสุขมันค่อยๆถูกบีบคั้นให้สูญไปะเดี๋ยวสุดท้ายความสุขก็าหายไปกลายเป็นใจเฉยๆ อ, อ, อย่างเราเคยดีใจไหมใครเคยดีใจมากๆเช่นถูกหวยรางวัลใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ยนะ ดีใจถ า, าว่าความดีใจอยู่นานไหมอยู่ไม่นานนะถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทั้งชุดเลยหลายสิบล้านอะไรเงี้ยทีแรกก็ดีใจนะถัดจากนั้นเริ่มกลุ้มใจแล้วเดี๋ยวโจรมันจะปล้นเดี๋ยวคนจะมากู้เงินจะทํำยังไงเราเป็นหนี้เขาตั้งเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวเจ้าหนี้จะมาทวงเงินอะไรเงี้ยความสุขมันแว บ, บเดียวนะแล้วมันก็ถูกบีบคั้นให้สูญสลายไป ของซึ่งเคยมีแล้วไม่มีเรียกว่านิพจังนะของซึ่งกําลังมีอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปเรียกว่าทุกขังสิ่งทั้งหลายจะมีหรือตั้งอยู่หรือหมดไปเป็นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะเราสัง่งนะอย่างเรากระทบอารมณ์ที่มีความสุขเนี่ยใจเราก็มีความสุขความสุขอยู่ชั่วคราวเท่าที่ยังกระทบอารมณ์อยู่ที่ดีพอ เ, เปลี่ยนอารมณ์นะไปกระทบอารมณ์ไม่ดีปุ๊ความสุขกระดับแนละ้วกลายเป็นความทุกข์ไปแล้ว เนี่ยความสุขความทุกข์ก็ถูกบีบขันอะไรๆก็ถูกบีบขันหมดแล้วก็บังคับไม่ได้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งตัวเนี้คืออนัตตาเนี่ยก่อนที่เราจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปนามขันห้าได้นะก็ต้องมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูพอมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแลก็แยกขันนะวิธีแยกขันขณะนี้นั่งอยู่ เห็นร่างกายมันนั uh ่งใจเป็นคนดูนั่งไปเรื่อยๆมันปวดมันเมื่อยก็เห็นนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยก็ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ก็อีกส่วนหนึ่งพอมันปวดมันเมื่อยขึ้นมานะใจก็เริ่มทุรนทุรายกระสับกระส่ายนะหงุดหงิดนะอยากจะเดินออกไปข้างนอกห้องแล้วแต่ยังเดินไม่ได้เกรงใจหลวงพ่ออยู่อะไรเงี้ยมันหงุดหงิดขึ้นมาตัวนี้คือตัวสังขารเป็นอีกขันหนึ่งนะ ความหงุดหงิดกับความเจ็บ ป, ปวดเป็นคนละอันกันเจ็บ ป, ปวดแล้วไม่หงุดหงิดได้ไหมได้ถ้าจิตเราฝึกไม่ดีนะแต่ถ้าเจ็บปวดแล้วถ้าเราไม่เคยฝึกกรรมฐานเนี่าายเจ็บปวดแล้วใจเราหงุดหงิดนั่นะความเจ็บปวดกับความหงนะุดหงิดเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันเป็นะคนละอันกันคนละส่วนกันนะก็คือคนละขันกันขันก็คือคำว่าส่วนนั่นเองแต่จิตเป็นคนรู้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นอีกขันหนึง่ง พอเราแยกได้แล้วเราก็จะเห็นขันแต่ละขันล้วนแต่แสดงไตรลักษณนะ์ร่างกายนี้ก็แสดงความไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนนะเดี๋ยวอย่างนน้นเดี๋ยวอย่างนี้ร่างกายนี้มีความทุกข์บีบพันอยู่เสมอนั่งอยู่ก็ปวดก็เมื่อยนะหิวก็ เ, เป็นทุกข์นะอิ่มก็เป็นทุกข์ ปวดหรือปวดฉีก็เป็นทุกข์โรคภัยไข้เจ็บมาก็เป็นทุกข์เนะนี่ยร่างกายไม่ใช่ของดีเลยร่างกายถูกบีบคั้นนําไปสู่การแตกสลายในที่สุดนะไม่มีใครต้านทานไดนะ้กำลังถูกบีบคั้นให้แตกสลายร้อนไปก็ตายหนาวไฟก็ตายนะหิวไฟก็ตายอิ่มเกินไปก็ตายอิ่มเกินไปก็ตายอย่างชูชกนะกินเยอะไปนะเลย กรเพอะคลากตายอาหารไม่ย่อยเนี่ยร่างกายมันกำลังถูกบีบคั้นให้ไปสู่ความตายทุกวันทุกวันคนทั่วไปไม่เคยเห็นนะไม่อยากจะเห็นด้วยนี่เราเป็นนักปฏิบัตินะเพราะเราแยกกายกับจิตออกแล้วเราก็เห็นนะร่างกายมันมีแต่ของไม่เที่ยงร่างกายมันมีแต่ของถูกบีบคั้นนะนำไปสู่การแตกสลายซึ่งเราไม่สามารถหยับยัางได้ ตรงที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่สามารถห้ามได้ตัวน่นคืออนัตตาเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปปัญญามันจะเกิดนะดูเวทนาก็เหมือนกันสุข ก, ก็ไม่เที่ยงทุกก็ไม่เที่ยงะอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงนะความรู้สึกทุกอย่างสุขทุกอะไรเนี่ยเฉยๆอะไรก็ไม่เที่ยงเฝ้ารู้เฝ้าดูไปแล้วก็จะเห็นเลยเวลามีความสุขเกิดนะความสุขก็ถูกบีบคั้นให้หายไปเวลามีความทุกข์เกิดความทุกข์ก็ถูกบีบคั้นให้หายไป อย่างเวลาเราไปนั่งพับเพียบหรือนั่งสมาธิอะไรนานๆนะที่แรกเน็บกินนะเน็บกินเลยขานี่ชาไปหมดเลยปวดเลยนะทั้งปวดทั้งชาเราทนทนนั่งไปเรื่อยๆนะมันหายนะขาที่ว่าชาชานะมันหายชาได้นะมันหายปวดหายเมื่อยได้นะลุกขึ้นมานี่เดินปล่อยอย่างปกติเลยรนาะมันกระทั่งขามันเป็นเน็บเนี่ยยังไม่เที่ยงเลย แล้วขาจะเป็นเน็บเนี่ยห้ามไม่ได้นะมันมีความทุกข์เกิดขึ้นห้ามไม่ได้นะจะปวดจะเมื่อยจะหิวจะหนาวจะร้อนอนะไรเนี่ยห้ามไม่ได้ทั้งสิ้นเลยตรงห้ามไม่ได้คือคําว่านัตตาเะฉะนั้นทุกอย่างนะเนี่ยเฝ้ารู้ลงมาในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยโดยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูจิตตั้งมั่นและเป็นกลางเห็นขันแต่ละขันรนะ้อนแต่อยู่ในความไม่เที่ยง ล้วนแต่ถูกบีบคั้นล้วนแต่บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจปรารถนาเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกเราจะรู้เลยว่ารูปนี้ไม่ใช่ของดีมันดีได้ยังไงมันไม่เที่ยงมันดีได้ยังไงมันบีบคั้นมันเป็นทุกข์มันดีได้ยังไงไม่ใช่ของเราสุดท้ายก็ต้องแตกสลายถูกเขาเอาไปเผาไม่เห็นมีใครไวยวายสักคนเลยนะตอนถูกเผาว่า ไปงานสบเคยเจอไหมเผาแล้วผีมันร้องลมันไม่มันไม่ร้องแล้วมันทิ้งไปแล้วเนี่ยเฝ้ารูปเฝ้าดูไปนะเรจะเห็นไหยรูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์นะถ้าทางใจก็สุขทุกข์เฉยเฉยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างบางทีเรามีศรัทธานะแล้วอยากฟังธรรมเวลาพอเปิดให้จองก็รีบไปจองเลยนะตอนนั้นใจกะเฮียนกระหืออยากฟังธรรมนะพอถึงเวลาจะต้องมาฟังนะขี้เกียจตื่นแล้วสิวันนี้อากาศเย็นๆอยากนอนต่ออย่างเงี้ยนะใจที่เป็นกุศลก็ไม่เที่ยงนะกลายเป็นใจขี้เกียจไปใจเป็นอกุศลไปแล้ว อย่าเวลายแย่งกันแทบตายนะเพื่อจะเข้ามาอยู่ในห้องเนี้ยแต่ถ้าหลวงพ่อเทศไปเรื่อยๆไม่ยอมเลิกนะเราจะไม่อยากอยู่แล้วอยากไปอยู่ที่อื่นแล้วใช่ไหมเนี่ของที่เราแย่งกันมาด้วยความยากลําบากนะแต่พออยู่นานๆเราก็ไม่อยากได้นะใจเราก็เปลี่ยนไปละมันก็เบื่อแต่งงานนะก่อนจะแต่งอุ้ยตามจีบกันซะตั้งนานสมัยก่อนนะ เดี๋ยวนี้ไม่ต้องตามจีบแล้วเนาะยักคิ้วใส่แล้วมองตาหวานหวานมาตามกันไปละสมัยหลวงพ่อไม่ได้หรอกนะโว้ยต้องหาทางเข้าไปหาพ่อหาแม่เขาด้วยนะอสู้กับสาวยันสําเร็จแล้วยังต้องไปสู้กับพ่อแม่เขาอีกอย่างเงี้ยวุ่นวายมากเลยกว่าจะได้มาลําบากะพอได้มาแล้วครอบครองอยู่พักหนึ่งนะมันเฉยเฉยแล้ว ภรรยาที่แสนรักก็เหมือนโต๊ะก้นอี้ตัวหนึ่งในบ้านมันอยู่บ้านมานานแล้วใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนี้แหละะไม่ต้องตกใจเป็นธรรมชาติะเป็นทั้งนั้นแหละยกเว้นนะพวกที่เขามีบารมีด้วยกันนะเขาสร้างบารมีคู่กันนะทำทามถือศีลทําสมาธิภาวนาอะไรเงี้ยจิตเขาสูงขึ้นสูงขึ้นไปด้วยกันคนอย่างนี้หายากนะ จะเป็นคู่บารมีส่วนมากเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาเจอกันแล้วว่าทวงซึ่งกันและกันไปเจ้ากรรมในเวรตัวร้ายของเราคืออย่างเราจะภาวนานะเจ้ากรรมในเวรข้างนอกนะก็แซวเราเพื่อนเราอย่างเงี้ยคอยแซวเราคอยแย่เราไม่ให้เราภาวนาอย่างเงี้ยเจ้ากรรมในเวรตัวสําคัญอยู่ตัวเองนี่ร่างกายนี้นะมันเกิดมาจากกรรมเก่านะ กำลังภาวนาดีๆตายซะก่อนอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยทุกตัดรอนนี่เราค่อยๆดูลงไปนะในกายในความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายความสุขทุกข์ทางใจนะความปรุงดีความปรุงชั่วทางใจความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ารู้เฝ้าดูจะเห็นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอมันเห็นอย่างนี้แล้วมันจะรู้เลยกายไม่ใช่ของดี เวทนาไม่ใช่ของดีนะสังขารความปรุงดีปรุงชั่วก็ไม่ใช่ของดีจิตนี้ก็ไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยมันเป็นของที่ตกอยู่ใต้ไตรักทั้งสิ้นเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงไม่ได้พอมันเห็นอย่างนี้มันจะเบื่อนะเห็นความจริงนั้นเห็นกายเห็นความรู้สึกเนื้อคิดทั้งหลายเห็นจิตใจทั้งหลายนะไม่เจียงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตามันก็จะเริ่มเบื่อ พอเห็นตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นที่จะรู้ว่าหลุดพ้นแล้วล่ะสังเกตดูง่ายๆเลยถ้าเราหลุดพ้นนะเราดูลงไปใจเราไม่ไปหยิบฉวยอะไรขึ้นมาใจไม่ไปหยิบฉวยอะไรมันไม่มีตัณหาผลักดันมันไม่มีอุปาทานมันไม่ไปหยิบอะไรขึ้นมาอีกแล้วมันไม่มีที่เกิด มันไม่มีที่ไปเกิดต่อเนี่ยมันจะเห็นของเราเองนะจะเห็นของเราเองนี่ครูบาอาจารย์สอนมานะนะเดี๋ยวจะว่าหลวงพ่ออวดอุตตริครูบาอาจารย์ท่านสอนมาเอามาบอกต่อแล้วพวกเราภาวนาทํำยังไงภาวนาถือศีลหนะ้าถือศีลห้าแล้วก็ฝึกนะฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง อจิตหนีไปจากกรรมฐานรู้ทันจิตหนีไปรู้ทันสิ่งที่จะได้คือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นพอมีสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วดูกายลงไปดูเวทนาคือสุขทุกข์ดูความปลุงดีปลุงชั่วแล้วก็สุดท้ายก็ดูจิตใจเองจิตใจเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปดูรูปเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปฟังเสียงอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้ะเดี๋ยวก็เป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้เป็นจิตผู้ไปเพ่งอะไรเงี้ยก็จะเห็นนะทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสุดท้ายมันจะเห็นแล้วมันน่าเบื่อขันห้าส่วนทั้งห้าที่ประกอบกัเป็นตัวเรานี้น่าเบื่อเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงกับเราอย่างที่เราคิดหรอกนใจมันก็คลายความยึดถือในกายในใจนี้ พอมันไม่ยึดถือแล้วนะกายแก่กายเจ็บกายตายจิตก็ไม่หวั่นไหวความรู้สึกจะดีหรือจะชั่วจะสุขหรือจะทุกข์จิตก็ไม่หวั่นไหวนะจิตเป็นอิสระจากความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงมันวะเข้าถึงอามาตะาธาตุอามาตะธรรมนะความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะค่อยๆฝึกไปงันเริ่มมาจากถือศีลห้า ทำในรูปแบบทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนนะพอแยกผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็ลงไปดูแยกขันแยกขันแล้วก็เห็นขันแต่ละขันนะั่นะแสดงไตรลักษณ์พอเห็นขันแต่ละขันแสดงไตรลักษณ์แล้วก็จะรู้เลขันไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วนะใจมันก็คลายความยึดถือพอนะใจไม่ยึดถือในขันนะใจก็ไม่ทุกขเพราะขันอีกต่อไปเหมือนอย่างเรานะ มีรถยนต์อยู่คันนะใหม่ๆ ห, ห่วงที่สุดเลยอะไรนิดนึงก็ไม่ได้กระทบหน่อยนึงก็ไม่ได้คนมองมากยังกลัวศึกเลยนะไม่อยากให้มันกระทบกระทั่งขับมายี่สิบปีแล้วหาส่วนที่สวยงามไม่ได้เลยอนะไรเนี้ยขับไปชนหมาชนแมวเลยไม่ค่อยสนใจละตอนนี้ยไม่ยึดไม่ไม่ได้อยากพอใจมันต่อไปละเนี่ยเราดูขันของเราเนี้ยนะดูขันนะ มันก็เหมือนหมาขี้เลื่อนตัวหนึ่งเหมือนซากอะไรผูผูพังพังเก่าเก่าอันหนึง่งไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วเั้นถ้ามันจะต้องแตกสลายอนะไรนีใจมันจะไม่ทุกร้อนนะไม่หวั่นไหวนะค่อยๆฝึกไปนะวันหนึ่งจะได้ไม่ทุกข์ทุกวันนี้ทุกข์ก็เพราะยึดที่ยึดก็เพราะอยากที่อยากก็เพราะคิดว่าอันนี้นำความสุขมาให้อันนี้นาความทุกข์มาให้ เราอยากได้สุขถาวรเราอยากไม่ทุกข์ถาวรเต็ไมไปด้วยความอยากของถาวรไม่มีมันมีแต่ของไม่เที่ยงนะเรียนได้เห็นความจริงอย่างนี้ต่อไป น, นี้ถ้าได้ยินคําว่าขันห้าไม่ต้องกลัวนะพอเข้าใจยังขันห้าก็คือห้าส่วนนั่นเองอแยกตัวเองออกเป็นห้าส่วนเหมือนถอดรถยนต์คันหนึ่งออกไปเป็นร้อยเป็นพันส่วนนะ เป็นน็อตเป็นสกรูเป็นน้นเป็นนี่เยอะแยะไปหมดเป็นสปริงเป็นอะไรยเงี้ยเป็นส่วนๆแล้วแต่ละส่วนไม่ใช่รถยนต์พอเราแยกห้าส่วนเนี่ยแต่ละส่วนไม่ใช่เราละไม่ใช่คนละก็แค่ส่วนประกอบนะที่กรรมสร้างขึ้นมากรรมสร้างขึ้นมาให้อ่ะพอสมควรแก่เวลาหมายเลขสิบสามค่ะ ฟังธรรมของหลวงพ่อมานานแล้วยังไม่เคยส่งการบ้านใช้อานาปานาสติและบริกรรมพุทโธคิดว่าได้พัฒนาจิตตนเองพอสมควรคิดไปเองหรือเปล่าคะขอหลวงพ่อแนะนำด้วยค่ะเป็นความจริงนะที่ฝึกอยู่นะจิตใจก็พัฒนาขึ้นมาไม่ใช่น้อยแล้วลนะ่ะต่อไปเราก็เดินปัญญานะเห็นกายมันทำงานไปไม่ใช่เราเห็นสุขทุกข์ไม่ใช่เรา เห็นดีชั่วไม่ใช่เราเห็นความรู้สึกทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราดูลงไปมีแต่ของไม่ใช่เรามีแต่ของไม่เที่ยงจิตดีจิตมีสมาธินใช้ได้เงินหายใจไปพูดโตไปเรื่อยๆทาทุกวันอดีที่สุดเลยนะหลวงพ่อก็ทํานะทุกวันนี้ยังทําอยู่เลยหมายเลขยี่สิค่ะ ที่ผ่านมาคิดว่าภาวนาไม่ก้าวหน้าสักทีแต่หนึ่งเดือนที่ผ่านมามีทุกข์หนักทำให้รู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อสอนช่วยไว้ได้จริงๆค่ะตอนนี้จิตยังซึมเศร้าเบื่อโลกทำให้การภาวนาเละเทะเห็นแต่โทสะไม่มีแรงแต่คิดถึงที่หลวงพ่อสอนว่าไม่มีเวลาสำหรับการท้อแท้หมดกาลังใจก็พยายามทาเท่าที่ทาได้ ฟังซีดีทุกวนันทำอะไรไม่ได้ก็สวดมนต์ไปดูจิ ต, ตไปพระว่างวันรู้สึกว่าอยู่กับคำบริกรรมได้ดีขึ้นขอหลวงพ่อเมตตาแนะนาด้วยเจ้าค่ะทำถูกแล้ ว, ลวนะแต่ว่าสังเกตจิตใจอย่างหนึง่งจิตใจมันมีความอยากที่จะพ้นจากความทุกขนะ์ให้รู้ทันใจที่อยากตัวนี้แหละที่ทำให้เราทุกข์ไม่เลิก ดังนันใจมันอยากพนทุกรู้ทันว่ามันอยากนะแล้วเราก็ภาวนาขงเราไปเรื่อยๆถ้ายังอยากพนทุกข์อยู่มันก็ทุกข์อีกแหละเพราะความอยากมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เวลาเรามีความสุขเราภาวนายากนะแต่เวลาความทุกข์เข้าถึงตัวเนี่ยจะภาวนาได้เข้มแข็งกว่านี่หลวงพ่อเห็นมาด้วยตัวเองเลยสมัยทำงานนะอยู่กับหัวหน้ากองเครียดอะไรอย่างนี้ ทำงานไม่มีความสุขเนระาย้ายงานไปงานสบายนายดีอะไรเงี้ยสบายไปหมดทุกอย่างเลยแล้วย้อนมาดูนะช่วงที่เรามีปัญหามากๆเนี่ยเป็นช่วงที่เราภาวนาได้เข้มข้นมากเลยเพราะเราไม่มีทางออกอย่างอื่นแล้วเราสู้ตายด้วยกันภาวนาเราอยู่กับทุกข์แล้วเราก็สู้ตายกับทุกข์นี่แหละแต่พอเราสบายเราก็เพลินนะเพลิดเพลิน งั้นหลวงพ่อเคยพูดบ่อยๆว่าความทุกข์เป็นทรัพยากรสาหรับการปฏิบัตินะ่ะเพราะพรุทธเจ้าก็ไม่ได้ให้เกลียดทุกข์พระพุทธเจ้าบอกทุกข์ให้รู้ท่านไม่ได้บอกว่าทุกข์ให้ละนะเงรานเราทุกข์ขึ้นมาก็ดีแล้วแต่คำว่าทุกข์ที่ท่านพูดเนี่ยไม่ใช่แค่ความทุกข์นะทุกข์ตัวนี้คือตัวขันธ์ห้าทั้งกายทั้งใจเหล่านี้แหละเรียกว่าตัวทุกข์ อย่างเวลาความทุกข์นี่เกิดขึ้นมาเป็นทุกขเวทนาทางใจมันก็ทุกข์เหมือนกันสังเกตไหมว่าความทุกข์ในใจนี่ไม่คงที่เดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาแมมันไม่เที่ยงเหมือนกันแล้วมันก็ห้ามไม่ได้ดูออกไหมมันจะมาก็ห้ามมันไม่ได้เวลาเราคิดเราคิดเรื่องนี้ปบความทุกข์กกลับมาเลยนึกออกไหมันความทุกข์กทางใจนะมันตามหลังความคิดมาอีกทีง แล้วจะห้ามใจไม่ให้คิดได้ไหมห้ามไม่ได้ใจจะคิดก็ห้ามมันไม่ได้รวมความแล้วก็คือห้ามใจไม่ให้คิดก็ไม่ได้คิดแล้วจะทุกข์ขึ้นมาก็ห้ามไม่ได้ทุกข์แล้วจะอยากให้เลิกทุกข์ก็ห้ามไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราห้ามได้สักอย่างเลยเฝ้ารู้ไปจนใจมันยอมรับความจริงนะถ้ามันยอมรับความจริงได้เมื่อไหร่มันจะไม่ทุกข์อีกต่อไปอย่างสมว่าเราอกหักสมมติเราอกหักนะ แล้เรารู้สึกอยากได้แฟนเราคืนมาเงี้ยเราก็ทุกข์ไม่เลิกแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอกหักเป็นเรื่องธรรมดานะการพลัดพรากจากคนที่เรารักที่พอใจเป็นเรื่องธรรมดาพอเห็นว่ามันธรรมดาซะอย่างเดียวมันก็คือเข้าใจธรรมะขึ้นมาแล้วลนะมันจะไม่ทุกข์อีกต่อไปเพราะไอ้เรื่องอกหักรักคูดอะไรนี้แล้นะงั้นเราเฝ้าดูเฝ้าดูลงไปนะทุกอย่างม่เป็นธรรมดา ใจจะคิดก็เป็นเรื่องธรรมดาคิดแล้วจะทุกข์ก็ธรรมดาทนะุกข์แล้วอยากจะหายมันก็เรื่องธรรมดาเนะฝ้ารู้มันลงไปเรื่อยๆทีละช็อตทีละช็อตนะสติปัญญาเมื่อจแหลมคมขึ้นไปฝึกไปแล้วเราจะเห็นคุณค่าของความทุกข์นะเวลามีความสุขพอนาะยากเลข29ค่ะ ส่งการบ้านครั้งแรกฟังหลวงพ่อมาปีกว่าพยายามสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิสิบห<ม>้าถึงสาสิบนาทีให้ได้ทุกวันแต่ส่วนใหญ่เพ่ง<ม>เครียดไม่ก็หลงง่วงนอนง่าย<ม>พยายามมีสติรู้กายใจในชีวิตประจำวัน ที่โมโหพยายามรู้ทันความโกรธแต่ไม่ค่อยทันขอความเมตตาด้วยค่ะมันรู้ทันไม่ได้นะนำมาทำอ่ะยิ่งพวกกิเลสทั้งหลายเนี้ยต้องให้มันเกิดไปก่อนแล้วรู้ว่ามันเกิดอย่างโกรธก่อนแล้วรู้ว่าโกรธโลภก่อนแล้วรู้ว่าโลภหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงแต่ว่าอย่ารู้ช้านัก็แล้วกันเมื่อวานโกรธวันนี้รู้อย่างเงี้ยช้าไป แต่ว่าสังเกต ด, ดูที่ใจใจมันดิ้นรนมากรู้สึกไหมใจมันดิ้นดิ้นดิ้นนะมันไม่พอใจสิ่งนี้มันไม่พอใจสิ่งนี้อะไรเงี้ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราห้ามใจไม่ได้เราสั่งใจให้สงบให้สุขให้ดีอะไรเงี้ยสั่งไม่ได้ที่เรามาทำกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่มุ่งไปทำใจให้ดีให้สุขให้สงบนะแต่เรามุ่งพาใจให้เห็นความจริง ถูาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวมาแล้วก็ไปเราก็ล้วนแต่หของบังคับไม่ได้เนี่ยต้องการให้เห็นสิ่งนี้ถ้าเราอยากว่าภาวนานแล้วอยากมีสุขอยากสงบอยากดีอะไรไม่มีวันสำเร็จหรอกเพราะมันไม่มีจริงความสุขมันก็ของชั่วคราวความสงบมันก็ของชั่วคราวความดีมันก็ของชั่วคราวเหมือนกันเราไปอยากได้ของชั่วคราวให้ถาวร ไปอยากให้ของโช ค, คราวมันทาวอนมันก็ทุกข์เปล่าๆแล้วมันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะใจมันทุกข์ขึ้นมาก็รู้ใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ใจมันหายโกรธก็รู้ใจมันเป็นยังไงก็รู้ไปสบายๆไม่ใช่รู้แล้วคาดหวังว่าจะต้องดีรู้อย่างเป็นกลางรู้แล้วก็ไม่เข้าไปแทรกแซงฝึกอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันจะได้ดีขึ้นหมายเลขสาสิบสี่ค่ะ ในการที่เห็นอารมณ์จิตที่เกิดขึ้นเช่นความพอใจไม่พอใจหรือเฉยเมื่อเห็นอารมณ์เหล่านั้นแล้วเราควรตามดูความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นน้อยลงจนดับไปหรือไม่คะหรือเพียงแค่รู้แล้วก็ปล่อยดูอารมณ์ใหม่ที่เข้ามาเพราะความจริงแล้วในอารมณ์ที่เด่นชัด ขึ้นมาให้เห็นนั้นมักจะมีอารมณ์จิตอื่นๆแทรกอยู่แอบอยู่ด้วยเสมอค่ะขอความเมตตาหลวงพ่อแนะนำแนวทางการปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะที่ฝึกอยู่ใช่ได้นะเสียอยู่ตรงที่ยังติดเพ่งนิดหน่อยนะงัอย่าไปเพ่งมันถ้าเราไม่เพ่งมันเนี่ยสภาวะอะไรเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันนี้รู้นั้นแหละ ในขณะแต่ละขณะเนี่ยมีสภาวธรรมจํานวนมากเกิดขึ้นพร้อมๆกันอันนี้เป็นเรื่องปกตินี่ในสภาวธรรมจํานวนมากที่เกิดขึ้นมันจะมีตัวเอกอยู่ตัวหนึ่งมันจะมีพระเอกมีนางเอกอยู่ตัวหนึ่งเพะ้นตัวไหนที่มันเด่นขึ้นมารู้ตัวนั้นแหละนี่สติเราสมาธิปัญญาเรามันไม่ไหวเราก็เลยรู้สึกเห็นตัวนี้แล้วมันยังไม่ทันดับอีกตัวหนึ่งก็มาแล้ว ไม่เห็นมันจะเกิดดับเลยอันนี้สติสมาธิเรายัางไม่ไหวพอถ้าไหวพอเราจะเห็นอย่างเราเวลาเราดูละครนะเดี๋ยวพระเอกพูดพูดอยู่สองสามประโยกก็หยุดตัวเด่นก็คือตัวที่มันพูดด้วยมันเปลี่ยนตัวไปแล้วถามว่พระเอกที่มันพูดเนะี้ยมันมันจบไปยังมันจบไปแล้วนะมันเกิดอีกตัวหนึ่งขึ้นมาที่เด่นขึ้นมาแทนเราก็ดูตอนนี้ผู้ร้ายพูด ผู้ร้ายพูดเสร็จเนยะตัวอื่นพูดต่ออนะไรเงี้ยตัวผู้ร้ายก็เป็นอดีตไปแล้วทั้งทั้งที่ทุกตัวนะมันยังอยู่ในเวทีเดียวกันนั่นแหละเราดูตัวที่ป็ น, เ ป, นเป็นตัวเอกตัวที่เป็นหลักแล้วเราจะเห็นนะว่าแต่และตัวทำหน้าที่ชั่วคราวมีไหมตัวละครที่ทำหน้าที่แสดงอยู่ตัวเดียวตลอดเวลามันไม่มีหรอกมันก็สลับกันไปเรื่อย เ น, นสภาวะธรรมแต่และตัวเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นแสดงบทบาทขึ้มนมาแล้วก็หยุดตัวใหม่แสดงบทบาทแล้วก็หยุดเป็นอย่างนี้แหละอย่าไปสําคัญมั่นหมายตัวนี้ยังไม่ทันพระเอกมันยังไม่ทันหายไปจากเวทีเลยผู้ร้ายมาแล้วอะไรเงี้ยถ้ามันไม่อยู่เวทีเดียวกันมันจะไปเล่นละครได้ไงละครตัวเนี้ยอยู่ในใจเรานะมีตัวละครตั้งเยอะเนะีมีตัวละครตั้งเจ็ดสิบกว่าตัวนะ หมายเลขสามสิบแปดค่ะวันนี้มาเป็นครั้งแรกได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อทางยู u b e และปฏิบัติมาประมาณหนึ่งเดือนในชีวิตประจำวันและในรูปแบบโดยภาวนาพุทโธอยู่กับลมหายใจมีความรู้สึกตัวมากขึ้นอขอความเมตตาจากหลวงพ่อช่วยชี้แนะแนวทางการปฏิบัติต่อไปด้วยเจ้าค่ะทาอีกนะ ทำอย่างที่ทําเลยหายใจเข้าพุทห้ใจออกโทไปแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเองใจเดี๋ยวก็สงบใจเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านใจเดี๋ยวก็มีความสุขใจเดี๋ยวก็มีความทุกข์หายใจไปพุดโธไปแล้วก็อ่านใจตัวเองไปอย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆใจฟุ้งซ่านเก่งนะดูออกเปล่าใจอะไอย่าฟุ้งซ่านเยอะอยู่เราะฉะั้นเราก็หายใจไปพุดโธไปนี่แหละ แล้วก็อ่านใจตัวเองไปเป็นระยะระยะไม่ใช่ไปนั่งรอดูนะหายใจเข้าพุดหายใจออกโทไหนจิตเราเป็นยังไงตอนนี้อย่างนี้ใช้ไม่ไดนะ้หายใจไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันสุบ ข, ขึ้นมาก็รูนะ้หายใจไปแล้วมันฟุ้งซ่านขึ้นมาก็รู้ฟุ้งซ่านแล้วลาคาญก็รู้อะไรเงี้ยค่อยๆรู้ค่อยๆรู้ไปนะรู้สภาวะอย่างที่มันเป็นไป ของโยมยังฟุ้งเยอะอินหน่อยค่อยๆฝึกเดี๋ยวก็ดีขึ้นหมายเลขสี่สิเกค่ะส่งการบ้านในรอบปีค่ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูจิตฟุ้งซ่านเป็นกรรมฐานรู้สึกว่าจิตที่คิดฟุ้งซ่านไปได้บ่อยขึ้นเห็นความรู้สึกที่เปลี่ยนไปทั้งวันได้เรื่อยๆ เข้าใจว่าจิตกำลังพัฒนาขึ้นแต่ยังไม่เป็นกลางขอหลวงพ่อเมตตาตรวจสอบการปฏิบัติในรอบปีค่ะมันพัฒนาขึ้นแล้วละนะแล้วมันก็เก่งด้วยที่ไม่เป็นกลางแล้วรู้ว่าไม่เป็นกลางไม่ใช่ว่าต้องเป็นกลางนะไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางอันนั้นถูกแล้วไม่ตั้งมั่นรู้ว่าไม่ตั้งมั่นอันนั้นถูกแล้วตรงที่เรารู้ว่าไม่ตั้งมั่นมันจะตั้งมั่นเอง ตที่รู้ว่าไม่เป็นกลางไม่ต้องไปยุ่งของมันนะเดี๋ยวความไม่เป็นกลางมันก็ดับมันก็เป็นกลางเองแหละค่อยๆฝึกไปนะในที่สุดเราก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายตามที่มันเป็นนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางขึ้นมาหนึ่งปีที่ฝึกใช้ได้นะค่อยๆฝึกไปดีขึ้นเรื่อยๆนะห้าสิบสามค่ะ คุณแม่สอนนั่งสมาธิตั้งแต่เด็กแต่นั่งสมาธิทุกวันประมาณ9ปีและรักษาศี่หได้ฟังซีดีหลวงพ่อจาก facebook โดยบังเอิญประมาณ5เดือนอปฏิบัติตามด้วยการเจริญสติในชีวิตประจำวันและนั่งสมาธิทุกวันด้วยการรู้กายอย่างที่เป็นรู้ใจอย่างที่เป็นรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายไม่ใช่เราเสมอกันด้วยตรัยลักษ ต้องการขอคำชี้แนะจากหลวงพ่อเพื่อนํำไปปรับปรุงแก้ไขและเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปเรารู้ไปเรื่อยๆนะเราไม่รีบสรุปนะถ้าเรารีบสรุปว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานิคิดเอาเราจะดูของจริงเราไม่คิดเอาหรอกใจย่างฟุ้งซ่านอยู่ก็รู้ว่าฟุ้งซ่านไปใจเป็นยังไงก็รู้ไปตอนไหนดูใจไม่ออกก็ดูกายไป เห็นร่างกายหาย ใ, ใจยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวหยุดนิ่งอะไรก็ดูไปอย่าตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมเนื้อรู้ทันอย่างนี้นะทำกรรมฐานไปแล้วพอใจมันหนีแล้วรู้ไปไม่ห้ามมันหรอกค่อยๆฝึกไปใจยังฟุ้งเก่งอยู่ค่อยๆฝึกหมายเลข73คนสุดท้ายค่ะได้ลองดูลมหายใจและบริกรรมแล้วแต่จิตไม่ชอบค่ะ หากเราใช้การสวดมนต์ในการทำสมมะและเดินวิปัสสนาจะสามารถมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมไหมคะสวดมนต์นะไม่ควรสวดบทที่ยาวเกินไปนะสวดบทที่ยาวเกินไปนะสวดสวดไปนะใจหนีไปได้ห้าร้อยรอบเลยหรือทางเดินจงกรมเนะี่ยไม่สั้นเกินไปถ้าสั้นเกินไปหมุนไ ป, ห ม, นไปหมุนมาเวียนหัวแล้วก็ไม่ยาวเกินไป ยาวเกินไปนะใจจะเอะอห์เหยลืมตัวไปง่ายๆ ง, งั้นถ้าจะสวดมนตนะ์สวดบทที่ไม่ยาวเกินไปนะแล้วก็ไม่สั้นจนหงุดหงิดเราดูตัวเองย่างเดินจงกรมสั้นเกินไปก็หงุดหงิดนะยาวเกินไปก็หลงสวดมนต์ก็เหมือนกันสวดถ้าเราไม่ชอบอย่างพุโทโธพุทโธไม่ชอบหงุดหงิดนะรู้สึกสั้นไปหาบทที่ยาวขึ้นแต่ไม่ใช่ยาวขนาดชินบัญชร น, นะ ถ้าขนาดนั้นแล้วก็หลงไปห้าร้อยอบเลยกว่าจะรู้ตัวหลงไปนานเลยงั้นพระเจ้าจะเปลี่ยนบทบริกรรมเนี่ยก็ทาได้จะพุทธทางสระนางังคฉามิอะไรอย่างนี้ก็อย่างดีทรรมังสระนางังคฉามิสังขังสระนางังคฉามิอย่างเงี้ยไม่ยาวเกินไปแต่สำหรับบางคนแค่นี้ก็ยาวเกินไปแล้วเพรั้นสั้นกับยาวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ หลวงพ่อเนี่ยถ้าเกินพโทโแลรวก็ยาวเกินไปละเราไปดูแค่ไหนพอดีสังเกตเอาแต่สังเกตแล้วก็ได้อันที่พอดีพอดีแล้วก็ทำให้ต่อเนื่องนะไม่ใช่เปลี่ยนไปทุกวันนะเปลี่ยนไปทุกวันเราจะจับหลักไม่ได้ที่เราบริกรรมเนี่ยเพื่อจะได้รู้ทันจิตตนเองถ้าเราเปลี่ยนคำบริกรรมไปเรื่อยๆ เ, เราจะหาจิตตัวเองไม่เจอมันจะฟุ้งซ่าน อย่างบางท่านท่านก็พาวนาะน้าม้าพาทะน้าม้าพาทะอะไรเขาไม่เห็นจะเป็นไรสัมมาอรหังนะบางองค์ก็ยาวหน่อยนะเมตตาผู้นางอนะรหังเมตต า, างองค์ยาวขึ้นไปอีกเมตตัญจาศัพโลกัสมิงมานะสัมภาเวเยะปริมาณังยาวไหม <c oughs> บท น, นี้ชักยาวใช่ไหมบางองค์ท่านก็แต่งเองบทสวดอะบทบริกรรมนะ อย่างหลวงปู่ขาวท่านก็มีบทของท่านพุทธะเมตตังจิตตังมะมะพุทธาพุทธานุภาเวนะธรรมาเมตตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆาเมตตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวนะจำได้ไหมสังเกตไหมมันเป็นฤิชุ่มม่เป็นฤทธิ์ชมเป็นจังหวะนั่นการที่บริกรรมเป็นจังหวะจังหวะอย่างนี้ จิตมันจะค่อยสงบขึ้นมาถ้าบริกรรมแนละ้วอย่างนี้นะไม่สงบอะไปเลือกดูกรรมฐานที่พอดีกับเราแต่อย่าเลือกกรรมฐานจนหมดเวลาภาวนานะ <c oughs> บางคนเลือกแล้วไม่ถูกใจสักอันแนะเลือกไปเรื่อยๆใจก็ฟุ้งไปเรื่อยๆเงี้นเลือกที่พอดีพดีที่ทำแล้วสบายใจแล้วก็ไม่เผลอ นาน อ, าอย่างนั้นแหละสวดมนต์ก็ได้นะอย่าสวดยาวเกินสวดยาวเกินเดี๋ยวจิตหลงไปนานนะหมดแล้วเมื่อวันอังคารวันพุธเนะี่ยหลวงพ่อขึ้นไปเชียงใหม่นะไปกราบศพหลวงปูด่ดวงดีที่วัรบ้านฟอนรู้จักท่านเพะาะเมื่อก่อนขึ้นไปเชียงใหม่หลวงพ่อจะไปพักที่บ้านฟอน แต่คุ้นกับท่านอยู่ท่านมารณาภาพเลยขึ้นไปกลับนี่ตอนเดินทางนี่หลวงพ่อสังเกตนะในสนามบินในเครื่องบินเลนะเนี่ยอเว้นระยะห่างของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เว้นอย่างที่เราเว้นตอนนี้นะของเรานี้ห่างหนึ่งวานะหนึ่งวานั้นหลวงพ่อกำลังคิดเนยกับพระอาจารย์ยว่าเราจะเพิ่มจำนวนคนที่เข้าฟังได้มากกว่านี้อีกนะเดี๋ยวําลัง ให้เพาสำรวจว่าเพิ่มได้เท่าไหร่แต่ไม่ใช่นั่งแอร์อาบนะแอร์อ่านไม่ได้แต่ทุกคนที่เข้ามาต้องวัดอุณหภูมิต้องใส่แมสใส่หน้ากากอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่คุยกันนั่งเราเงียบๆ เ, เวลาจะหัช่วยอะไรก็อย่าถอดแมสออกกลัวแมสเปื้อนถอดหาช่วยแหมสดชื่นอะไรเงี้ยนะอย่างนี้ไม่เอานั่งนั่งอยู่นะ ก็ดึงดึงดึให้จมูกโผล่นะอย่างงี้ก็ไม่เอ า, อางั้นเราก็ช่วยรักษาตัวเองอ่ะนะไม่ให้แพร่เชือ้อพยายามไม่ให้ตัวเองเป็นคนแพร่เชือ้อแล้วเราจะเพิ่มจํานวนคนที่จองเข้ามาได้มากกว่านี้อีกหน่อยที่จองเข้ามาเจ็ดสิบห้าคนเนะครับที่รอบที่ผ่านมาเนะี่ยเจ็ดสบหจองวันละเจ็ดสิบ้าคนนะั้นทั้งเดือนเนใช้เวลาแปดนาทีหมดแล้ว ก็มีเสียงโอดโอยร่ําไห้คร่ําครวญด้วยทุกขเวทนามากมายเลยนะมันไม่ได้เข้ามาจะเป็นจะตายแล้วนะเสียใจถ้าหนูตายไปตอนนี้หนูจะไปเกิดเป็นอะไรตกนรกก็สิจิตกาลังเศร้าหมองยังไม่หน้ามันถามอีกตกนรกไม่ใช่เพราะเข้าห้องนี้ไม่ได้แต่เพราะว่าใจมันอยากเข้าแล้วมันไม่ได้อย่างใจมันก็เศร้าหมองอะไรอย่างเนี้ย เพหลวงพ่อจะหาทางเพิ่มจํานวนให้นะแต่ว่าไม่ไม่ได้ทีหนึ่งหลายร้อยหรอกเป็นไปไม่ได้จะไม่ได้ห่างขนาดนี้ห่างพอดีพอดีหน่อยให้มันได้มาตรฐานที่ชาวบ้านเขาทำนะํำตามสนามบินอะไรนก็นั่งก็อีเวนต์เก้าอี้อะไรอย่างนี้เชิญว่าจะคํานวณใช้เวลาไม่นานนะแล้วอาจจะรับเพิ่ม ตั้งแต่วันเสาร์นี้เป็นต้นไปงั้นคอยฟังข้อประกาศว่าจะให้ลงทะเบียนเสริมเอกเมื่อไหรนะ่แต่ว่าพวกที่ได้แล้วของเดือนนี้ไม่ต้องมาลงนะให้คนที่เขายัางไม่ไดนะ้ทำได้ไหมระบบมันทำได้ไหมทำได้ใช่ไหมโอเคเชิญ